วันที่ฉันไม่มีเธอชีวิตมันลำบากตั้งแต่วันที่เธอจากไปก่อนหน้านี้เรามีกันและกันก่อนหน้านี้เราก็เอาใจใส่หมดเลยจังหัวใจชีวิตคือเราสองคนชีวิตก็เลยแปลกตั้งแต่คำยันเช้านอนไม่หลับ ชีวิตมันยังปรับเข้ากับเหตุการณ์นี้ไม่ไวเพ่งจะรู้ตัวว่าเป็นอย่างไรพ่งจะรู้ตอนที่เธอไม่อยู่เสร็ลฉันคิดดูมีฉันคนเดียวไม่ได้ ยงไร่ฉันจะนอนตากใครเวลาที่เงาเพราะทุกทีก็มีแต่เธอเท่านั้นสุดท้ายเรื่องสำคัญใครจะซัดผ้าละล้านจานชีวิตมันตาย ต, ต่ำเสื้อก็อยากทรงผมก็ยุ่งเยินห้องนี้ก็ดูเกา่าค่าเชาแพงค่าแรงไม่สู้ ยังมีคนช่วยแชร์อยู่ยังนี้มันไม่แน่ไม่นอนก็เลยต้องอ้อนวอนให้เธอขึ้นมาเหมือนเก่าฉันจะคุยกับใครเวลาไปไหนฉันจะไปกับใครฉันจะกินอะไรใครทําอาหารฉันจะทําอย่างไรฉันจะนอนตากใครเวลาที่เงา แต่เธอเท่านั้นสุดท้ายเรื่องสำคัญใครจะสัดผ้ า, าละล้างจาน ไไฉันจะไปกับใครฉันจะกินอะไรใครทำอาหารฉันจะทำอย่างไรฉันจะนอนตากใครเวลาที่เงาเพราะทุกทีก็มีแต่เธอเท่านั้นสุดท้ายเรื่องสำคัญใครจะซัดผ้าและล้างจานชีวิตมันต้ยต่ำเสื้อก็อยากทรงผมก็อยู่ ห้องนี้ก็ดูเก่าค่าเชาแพงค่าแรงไม่สูงอยู่กับเธอยังมีคนช่วยแชร์อยู่อย่างนี้มันไม่แน่ไม่นอนก็เลยต้องอ้อนวอนให้เธอคืนมาเหมือนเก่าเย่ก็เลยต้องอ้อนวอนให้เธอคืนมาช่วยที